ตอนที่ห้สิบเจ็ดพระท่านเช้าวันรุ่งขึ้นหลิงเซินขับรถมา้ามาม า, มารับเยาวาด้วยตัวเองเยว่เดาด้วยว่าเขามาเพราะเรื่องร่วมมือกับร้านขนมที่คุยกันเมื่อวานานางจึงก้าวขึ้นรถม้าไปพี่ชายและพี่สะพายกำชับแล้วกำชับอีกด้วยความไม่สบายใจอย่างยิ่งกว่าจะยอมปล่อยมือเยาวาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายก่อนออกเดินทางทั้งคู่ยังถลึงตาใส่หลิงเซินพร้อมกันเป็นเชิงเตือนว่าหากเยว่ผมร่วมแม่แต่เส้นเดียวจะเอาเรื่องเขาให้ถึงที่สุด ลินเซิรนรู้สึกเจ็บปวดใจนักอย่างไรเขาก็เป็นถึงผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ดูไม่น่าไว้ใจขนาดนั้นเลยหรือแต่ในที่สุดพวกเขาก็ยอมปล่อยไปรถมาเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆเยววกับลินเซิร์นนั่งอยู่ด้านในานางยังคงเบือนหน้ามองออกไปนอกหน้าต่างโดยไม่ใช่ตามองเขาส่วนเขาก็ยังคงจ้องมองแต่นางครั้งนี้ไม่มีเสียชิงจืออยู่ด้วยบรรยากาศจึงดูอึดอัดเล็กน้อย ทั้งสองต่างไม่พูดจาแต่สายตาของเจ้าหมอหนั่นกลับจ้องเขม็งมาที่นางตลอดเวลาจนในที่สุดเยว่ก็เริ่มทนไม่ไหวนั่งหลับตาลงพรางถอนหายใจยาวก่อนจะถึงตาใส่เขากลับไปท่านจ้องพอหรือยังหลินเซินหัวราะเบาๆคันนี้ข้าควรเป็นฝ่ายถามเยอเยมากกว่าเวลาที่นั่งรถม้าคันเดียวกับข้าเจ้ามักจะมองแต่นอกหน้าต่างไม่ยอมมองข้าเลยข้างนอกนั้นมีอะไรดีนักหนาถึงทําให้เจ้ามองไม่เบื่อขนาดนี้ เยว่า yeah, wow. อยากจะทุบเจ้าหมอนี่จริงๆการหลบเลี่ยงไม่ใช่ทางออกเยเว่า yeah, wow. จึงจ้องหน้าเขาตรงๆแล้วถามเข้าประเด็นท่านชอบข้าจริงๆหรือเป็นหลินเซินเสียเองที่คาดไม่ถึงว่านางจะถามตรงไปตรงมาเช่นนี้เขาจึงชะงักไปเล็กน้อยเยว่าท่านลืมไปแล้วหรือว่าตอนแรกเป็นพระข้าบอกว่าท่านไร้น้ำยาท่านถึงได้วู่วามทูลขอราชองค์การสมรสมพระราชทานใบหน้าหล่อเหลาที่มาจะเคร่งขรึมอยู่เป็นนิดค่อยๆ ค, คลายลงเขายิ้มออกมาอย่างเบิกบานใจ จริงแท้แน่นอนถึงแม้การทูลขอสมรสพระราชทานจะเป็นพระอารมณ์ชั่ววูบแต่หลังจากผ่านช่วงเวลานี้ไปผูห้หญิงที่แย่งชิงมาด้วยอารมณ์ชั่ววูบคนนี้กลับดีจริงๆนะเพรคุ้มค่ามากเยว่ไม่มีความสุขแม้แต่น้อยหัวใจของนางค่อยๆดิ่งวูบลงจบกันได้เกิดใหม่ทั้งทีฉันไหนเจ้าหมอนี่ถึงได้มาชอบนางเข้าละ่ะชาติก่อนหวังให้เขาเห็นแก่ลูกแล้วดีกับนางสักนิดก็ยังอ้อนวอนขอไม่ได้แต่ชาตินี้เขากลับมาชอบนางเนี่ยนะ ช่างหน้าขันและไร้สาระสิ้นดียามพี่นางออนวอนขอแทบตายกลับไม่ได้มาพอตอนนี้ไม่ต้องการแล้วกลับสลัดไม่หลุดเสียอย่างนั้นนี่ใช่ที่เขาเรียกว่ากงมเกลียนกมเกวียนสวรรค์มีตาเวรกรรมตามทันหรือไม่และสรุปว่านี่คือผลกรรมของหลิงเซินหรือว่าเป็นกรรมของนางเยว่กันแน่เยว่ค่อยๆเบือนหน้ากลับประมองนอกหน้าต่างอีกครั้งสายตาของนางว่างเปล่าไร้จุดโฟกัส ปกติแล้วหญิงสาวเวลาถูกชายหนุ่มสารภาพรักมักจะขัดเขินเองอายใบหน้าผุดผ่องมีชีวิตชีวาแต่นางกลับมีสีหน้าซีดเผือดราวกับคนตายเหมือนเพิ่งถูกแต่สิ่งประหารชีวิตอย่างไรอย่างนั้นลินเซนเริ่มตกอยู่ในความสงสัยในตัวเองอย่างหนักการถูกเขาสารภาพรักมันทรมานยิ่งกว่าความตายงั้นหรือเขาเริ่มรู้สึกไม่ยอมแพ้ขึ้นมาเจ้าเกลียดข้าขนาดนั้นเชียวหรือเ ย, ยว่ามองเมือออกไปนอกหน้าต่างพลางตอบ ก, กลับด้วยน้ำเสียงแผ่วเบามิกล้า นางบอกว่ามิกล้าสิ่งที่นางมิกล้าทามันมีมากเกินไปแล้วลินเซนขมวดคิ้วลุกขึ้นก้าเพียงเก้าเดียวมานั่งลงข้างกายนาง ม, มือหนาบีบคางของนางแล้วบังคับให้หันกลับมาสบตาเขาซื่อจือต้องการฟังความจริงความในใจของเจ้าเ ย, ยว่าไม่ได้ขัดขืนนางมองเขาด้วยสายตายเย็นชาพลางเอ่ยซื่อจือทาค่าเจ็ ลิ้นเซินคลายแรงมือลงโดยสัญชาตญาณ น, นางจึงรีบสะบัดตัวหนีทันทีและเบือนหน้าหนีไปอีกทางราวกับไม่อยากจะมองเขาแม้เพียงแวบเดียวซื่อจืออยากฟังความจริงแน่หรือแน่นอนเยว่าแค่นหัวเราะออกมาคำหนึ่งก่อนจะค่อยๆเลื่อนสายตากลับมาจ้องมองเขานี่เป็นพระซื่อจือต้องการให้ข้าพูดเองนะพูดมาเถอะไม่ว่าเจ้าจะพูดอะไรซื่อจือผู้นี้จะไม่ถือโทษโกรธเคืองเด็ดขาด แ ล, แล้วริมฝีปากสีแดงระเรื่อดุดกลีบดอกไม้คู่นั้นก็เอื้อนเอ่ยประโยคที่ทําให้หลิงเซินแทะกระอักเลือดออกมาพระซื่อจือ่อท่านมันไร้น้ํายาหลิงเซินเหมือนมีลูกศรพุ่งเข้าปักอกเขากลางใจถึงสามดอกแม้แต่มือที่เคยบีบค้างนางก็ยังค้างเติ่งอยู่กลางอากาศใบหน้าหล่อเหลาคมคายเปลี่ยนสีไปมาอย่างรวดเร็วแสดงออกถึงอารมณ์ที่สับสนวุ่นวายตั้งแต่เกิดมาเขาไม่เคยรู้สึกอับอายขายหน้าขนาดนี้มาก่อน หากไม่ใช่เพราะเพิ่งลั่นวาจาไปว่าจะไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่ว่าเยาวาจะพูดอะไรหละ่ะก็เขาคงจะต้องเมื่อมองดูใบหน้าจิ้มลิ้มที่เย็นฉดุดน้ำแข็งของเยาว์ all, เขาก็หลุดตาลงแล้วถอนหายใจยาวช่างเถอะเขาตัดใจทําร้ายนางไม่ลงจริงๆเยาว์ Ye มองเห็นทั้งความอับอายและความโกรธเคืองของเขาได้อย่างชัดเจนถึงแม้เขาจะพูดไว้ก่อนแล้วว่าจะไม่ถือสาแต่จะมีบุรุษคนไหนทนรับคําว่าไร้น้ํายาได้กันเล่า ความโกรธของเขาอยู่ในความคาดหมายของเยวาวอยู่แล้วนางต้องการยั่วโมโหเขายิ่งเขาโมโหามากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีในเมื่อตอนนี้มันยังเป็นเพียงความชอบเป็นเพียงความรู้สึกดีๆที่เพิ่มมากขึ้นมาการทำให้เขาโกรธเคืองย่อมช่วยสลายความรู้สึกเหล่านั้นไปได้จะให้ดีที่สุดคือเขาควรจะบันดาลโทสะจนตกหน้านางสักสองาตเยวาวจะได้มีเหตุผลอันชอบธรรมที่จะไม่สนใจเขาไปอีกนานแสนานาน ในใจนางกำลังวางแผนอย่างดิบดีและเตรียมตัวเตรียมใจรับแรงกระแทกทะวะ่ากลับได้ยินเสียงทุ้มต่ําของหลินเซินดังขึ้นถ้าอย่างนั้นเจ้าก็เข้าใจผิดแล้วเข้าถึงกับยิ้มออกมาทําเอาเย ว, วถึงกับตกตะลึงจนตาค้างซื่อจะอย่างข้าหาได้ไร้น้ํายาไม่หากไม่เชื่อหลินเซินจงใจขยับเข้าไปใกล้กระซิบข้างหูนางเบาๆอย่าอย่าสามารถลองดูได้นะเยวก่หมัดแน่นทันที นางต้องใช้ความอดทนอย่างสูงเพื่อไม่ให้เผลอตบหน้าเขาก่อนจะรีบถอยห่างออกมาในระยะปลอดภัยซื้อจื่อโปรดสำรวมด้วยเยวจ้องมองเขาด้วยสายตาที่แทบจะเผาเขาให้เป็นจจหลินเซินทำสำเร็จรอยยิ้มของเขาลึกซึ้งขึ้นเป็นอย่างไรเยว์ว่ยังมีเหตุผลอื่นที่ไม่ชอบค่าอีกหรือไม่เยวสูดลมหายใจลึกก่อนจะย้อนถามพร้อมรอยยิ้มที่มุมปากมีซูเื้อจื่อบอกมาว่าท่านชอบอะไรในตัวข้าข้าจะแก้ไข หลินเซิร์ลเลิกคิวขึ้นแล้วตอบกลับทันควันซื่อจื่ออย่างข้าก็ชอบที่เจ้าไม่ชอบข้านี่แหละเยวาเจ้านี่มันอันธพาลชัดชัดเยวโกรธจนไม่อยากเซวนากับเขาอีกนางลุกขึ้นไปนั่งฝั่งตรงข้ามแล้วมองออกไปนอกหน้าต่างใบหน้าด้านข้างที่บึง้งตึงทำเอาหลินเซิร์หัวเราะออกมานานเฟิงและช้างเจวินที่อยู่นอกรถม้ามองหน้ากันด้วยความฉง น, นที่แท้ซื้อจื่อก็หัวเราะเป็นด้วย ในขณะที่หลิงเซินไพเวลไปพบเจ้าของร้านขนมเสี่ยชิงจือกลับไปที่เพิงโจก๊กนางเฝ้ามองอยู่ไกลๆจากฝั่งตรงข้ามจ้องมองร่างของเยวาและทหารคนสนิทที่กําลังวุ่นวายอยู่ในเพิงโจก๊กไม่รู้ว่านางกําลังคิดอะไรอยู่เสเบียงข้างเต่าเหลือไม่มากนักและกําลังจะหมดลงในมิชารถขนสเสบียงที่ปลายถนนยาวก็มาถึงได้ทันเวลาพอดีเยว่าสั่งการให้เหล่าทหารขนสเบียงลงจากรถแล้วเริ่มยุ่งต่อ เมื่อรถขนสเบียงว่างเปล่าคนขับรถก็บังคับรถเปล่ากลับไปเมื่อผ่านเสี่ยชิงจือเขาก็สบตากับนางส่งสัญญาณทางสายตาอย่างลับๆแล้วพยักหน้าให้เสี่ยชิงจือมองตามรถขนสเบียงที่จากไปพร้อมกับรอยยิ้มที่อำมหิตนางนั่งลงที่เพลนน้ำชาฝั่งตรงข้ามสั่งน้ำชามาถ้วยหนึ่งแล้วจิบอย่างช้าๆดวงตา ย, ยังคงจับจ้องไปที่เพิงโจกที่คึกคัก ผู้ประสบภัยจานวนมากขึ้นเรื่อยๆรับโจ๊กไปกินจนอิ่มท้องอย่างมีความสุขแล้วกลับไปนั่งที่โคนกำแพงช่วงนี้พวกเขาก็ใช้ชีวิตกันเช่นนี้กลางวันเข้าแถวรับโจ๊กเมื่ออิ่มแล้วก็กลับไปนอนที่โคนกำแพงอย่างไรเสียก็มีโจ๊กให้กินทุกวันไม่ต้องทำอะไรก็มีกินมีใช้เสี่ยชิงจือมองพวกเขาแล้วดูเหมือนจะนึกอะไรบางอย่างออกนิ้วที่ถือถ้วยน้ำชาขอเบาๆมุมปากยกยิ้มอย่างชั่วร้ายยิ่งขึ้น เมื่อตะ ว, วันเลยหัวไปแล้วผู้ประสบภัยที่เข้าแถวรอรับโจกกลับมีแต่จะเพิ่มขึ้นแสงแดดแผดเผาแต่เสี่ยชิงจื้อที่นั่งอยู่ในเพิงน้ำชากลับไม่แยแสนางยิงคงนั่งอยู่ตรงนั้นจนถึงช่วงบ่ายทันใดนั้นกลุ่มผู้ประสบภัยที่รวมตัวกันอยู่ที่โคนกำแพงก็เริ่มเกิดความวุ่นวายแต่ละคนต่างกลุมท้องใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดทรมาน